อักขณะก็ผ่านพ้นไปแล้วอักขณะเนี่ยนะคืออักขณะแบ ป, ประการอัขณะแปลว่าไม่ใช่สมัยไม่ใช่กาละที่จะประพฤติพรหมจรรย์นเนี่ยนะอย่างข้อความในอังคุตรนิการอัตการนิบาศข้อหนึ่ง้อยสิพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ทางลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมกล่าวว่าโลกได้ขณะจึงทํากิจหมายาว่าถ้าจะทําอะไรสักอย่างมันต้องได้ขณะได้เวลาก่อนถ้าไม่ได้เวลาเขาไม่ทำํำแปลว่าผิดเวลา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 จเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ถามว่ากาละที่มิใช่สมัยไม่ใช่ขณะไม่ใช่เวลาที่จะได้ปฏิบัติมรรคแปไม่ใช่สมัยที่จะเห็นอริยสัจเนี่ยเมื่อไหร่บ้างพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสุททั้งหลายแต่ทาคตอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นพระอรหันต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 นรกแล้วนรกในพื้นที่ไม่ได้เล็กน้อยเลยแล้วสัตว์เนี่ยนะที่จุอยู่ในนรกเนี่ยอย่างมนุษย์6กพันล้านเนี่ยเล็กน้อยเนี่ยนะไม่ได้เศษเสี้ยวของนรกรอกนนะัถามว่าแป้งแป้งฝุ่นเนี่ยนะที่อยู่ในสักถังหนึ่งเนะี่ยมีฝุ่นเท่าไหร่ในนั้นหนึ่งถังนะสมมติว่าหนึ่งถังสิลิตรเนี่ยฝุ่นที่อยู่ในถังนั้นนะนับได้เท่าไหรบ่ <S <S <S <S บอกเท่าไหรนะ่นี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 หรือไปเป็นตัวเคยเนี่ยนะที่เอามาทำกระปิ่นทําอะไรได้นีถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เหล่านั้นไปเป็นลูกไปเป็นคางคกเคยเห็นนะคางคกลูกคางคกไข่คางคกมันยาวเป็นกิโลกิโลเลยนะนจริงๆมันตัวมันนิดเดียวทัเม็ดมันเม็ดเท่าสาคูเล็กๆเนี่ยแล้วมันยาวเป็นกิโลนี่มันกี่ตัว <S <S เดรชาเนี่เ ย, ยอะจริงจริงมันถ้าหากว่าเราเกิดเป็นกําเนิดสัตว์เดรชาแล้วทําอะไรได้เลยนะจึงไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยไม่ใช่กาละที่จะ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 ตาพอดีเลยเกิดที่ป่าถามว่าอยู่ในฐานะอะไรในป่านั้นเอา้าอย่างเขาบอกโอ้ยกุ้ยต้นไม้ต้นนี้สวยงามมากไปอยู่ในฐานะอะไรถ้ามีต้นไม้เป็นต้นนั้นเป็นอารมณ์แล้วตายเขามาเห็นในมดแดงเนี่นะมดแดงมดดามดตะนอยมดสารพัดมดอยู่ในนั้นเยอะไปหมดเลยเคยเห็นต้นสนบางคนชอบสนมากโอ้เราไปอยู่คนต้นสนวพวกสัตว์เนี่ยนะไ อ, ไอแบบ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 พื้นที่ปากเขาเนี่ยนะในโลกเนี่ยพื้นที่ปากเขาเยอะมากแต่ก็ยังน้อยกว่าสัตว์ในน้ําสัตว์ในน้ํามากกว่าเดรชาดนี่เยอะแยะไปหมดเลยถามว่าถ้าไปอยู่เป็นเดรชาดเหล่านั้นแล้วจะเห็นอะไรจะเห็นอริยสัตว์ได้อย่างไรเนอจะ ก, กําหนดรู้ทุกลักษณ์สมุทยัยทำนิโรธให้แจ้งจะเจริญอธิศีณาทิ จ, จิตอธิปัญญาจเจริญโพธิปัจจัยธรรมได้อย่างไรถึงพระพุทธเจ้าจะสอนจเจริญรุ่งเรืองขนาดไหนก็ไม่ใช่สมัยอย่างเมื่อก่อนเนี่ยไปไหว้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 อาบายทั้งหลายเนั้นถ้าไปเกิดเป็นเดรชาเนี่ยหมดเลยหมดโอกาสยังยังลยหลายๆแห่งเนี่ยนะเดรชาเนี่ยไม่มีโอกาสทําอะไรได้เลยไม่รู้จะเป็นไก่ในฟาร์มแล้วทาอะไรได้บ้างพั้นถ้าไปอยู่ในเดรชาไม่ใช่สมัยพันถามว่าหลุดจากเดรชามาเป็นมนุษย์ง่ายไหมนะถ้ากลับไปเป็นเดรชาจะย้อนกลับคืนมาเป็นมนุษย์จะมาได้อย่างไรขณะเราไปไหว้พระเจดีย์เนี่ยนะเจดีย์ส่องสปอตไลท์แสงสว่างส่องเข้าไป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 ธรรมชาติของถามว่าเปรตนี่คืออะไรถ้าเราเคยเห็นคนที่อดอยากนิ้หวหุ่ยผอมโซโกินแล้วก็สุขภาพเนี่ยป่วยทั้งร่างกายและจิตใจด้วยผอมโซดำปีเลยเนี่ยนะเคยเห็นบุคคลเหล่านั้นเรียนอารยศาสตร์ไหมลักษณะของเปรตเนี่ยโดยมากเป็นแบบนั้นและหนักกว่า น, นั้นอีกหลายเท่าใครไปอินเดียเนี่ยถามว่าไปสอนอริยศาสตร์กับกลุ่มเหล่านั้ น, น่ะกลุ่มขอทานนี่คิดว่าประสบความสําเร็จไหมรูปี้รูปี้รูแค่นั้นแ่ะเพราะฉะนั้นก็ ไม่หมดโอกาสเลยแหละที่จะเห็นอริยสัตว์เนี่ยนะไม่ใช่ทานะไม่ใช่สมัยมิใช่กาละเลยเลยมันถ้าหาว่าไปเกิดเป็นเปรตเนี่ยแล้วถามว่าเปรตน้อยใช่ไหมถ้าใครมีตาทิพย์เนี่ยสงสัยต้องเดินหลบทั้งวันเลยมั้งเ่พราะมันไม่ใช่วันน้อยๆเลยมันมากมากเรว่านครเนี่ยนะเป็นเมืองเลยแหละเรียกว่าพวกเปรตกลุ่มไหนก็กลุ่มกรจัดทั้งหลายเป็นต้นนั่นแหละคือคือมันเปรตนี่มันมีจริงๆนะ้็เรียกว่าพวกปังโซปีซาพันธ่มน้ําลายออกไปไม่รู้ใครวิ่งไปทานมั่งอะนะ ตอนก็เต้มไปหมดเลยละที่ขยะมูลฝอยที่อะไรเนี่ยนะเต้มไปหมดเลยพันถามว่าแล้วถ้าไปอยู่ในสภาพเหล่านั้นอดอยากนิ้วห้อยเจ็บป่วยเดือดร้อนตลอดเวลาป่วยทั้งร่างกายเนี่ยนะตลอดทั้งร่างกายอดอยากนิว้วห้อยแล้วเอาเวลาที่ไหนมาฟังธรรมฟังไม่รู้เรื่องโรคเนี่ยนะไม่อยากฟังธรรมด้วยมันรู้แต่ว่าอาหารอาหารอาหารประเสริฐที่สุดมันอริยสัจฉันไม่ต้องการฉันต้องการแต่อาหารฉันต้องการแต่ยาต้องการแต่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม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 อาพับแน่เพราะงั้นอาพับแน่เดือดรอด้อนแน่ลำบากแน่นั้นจึงไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยที่จะอยู่ประพฤติ พ, พรหมจรรย์ไม่ใช่สมัยที่จะทํากิจในการรู้ <c oughs> เห็นอริยสัจเลยเอีกประการหนึ่งเขาก็มาเกิดในมัชชีมชนบทนี่แหละเกิดแถวแถวสังเวชนียสถานนี่แหละเกิดแถวที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่แหละเกิด <c oughs> <c oughs> ใ, ในใกล้ๆวัดและเกิดข้างวัดเพราะงั้นเกิดข้างวัดที่เรียนพระไตรปิฎกด้วยแต่กลายเป็นคนมีมิจฉาทิฏฐิ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 ปานาตีบาตอทินนาธานการเมสุมิชฌาจารรุ่งเรืองท่ามกลางบ้านเมืองที่ประสบภาวะสงครามใครจะฟังทำท่ามกลางบ้านเมืองที่ทุจริตโคดกงเนี่ยนะก็นักเราว่าจับวางข้างหลังนะจับข้างหน้ามาวางข้างหลังไอ้คนข้างหลังฉวยไปแล้วเนี่ยก็ไปคว้าต่อไปอีกหา ม, มาได้คนข้างหลังก็ฉวยไปอีกท่ามกลางลักษณะแบบนั้นเอาอะไรมาฟังธทำ